ญ า, าโยพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็จะขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทษจากเรื่องนางสือของประวัติหลวงพ่อปานแต่ว่าก็คงจะต่อเข้าเป็นสามเล่มได้ละมะั้งตั้งนี้พอเราจะ ต, ต่อเติมกันเรื่อยก็อยากจะขอประกาศกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอี้สักครั้งหนึ่ง ว่าต่อนี้ไปก็จะขอต่อสู้กับพวกอรารัชีแต่พอรารัชีนี่มีหนังมีหนังสือเขก็มีการพิมพ์หนังสือออกแต่ว่าเขาจะมานี่ไม่มีโรงพิมพ์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดนักข่าวสารก็แจ้งไม่ชัดก็มันมีเครื่องพิมพ์อยู่เครื่องหนึ่งแต่แพทย์หญิงวิบัยน์คนวณจิตเคยออกทุนสารองมา แล้วก็มีบรรดาญาโยมพุทธบริษัททหลายโดยทุ่นหน้าช่วยกันออกมาบ้างและเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ก็ยังไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเลยถ้ายังมีหนี้สินเท่าไหร่ราคาก็ไปจะสองสามแสนนะเป็นเครื่องถ่ายภาพเอกสารแล้วก็จัดพิมพ์เป็นเล่มได้แต่เครื่องนี้อยู่ที่ไหนถ้าหากบรรดาญาโยมพุทธบริษัททหลายทราบ ก็ช่วยบอกให้ทราบด้วย ว, ว่าถ้ายังเป็นหนี้สินอยู่เท่าไหร่บรรดาญาโยมพุทธบริสัตย์นหลายท่านมีศรัทธาท่านช่วยก็จะได้ชำระหนี้สินนี้ไปให้หมดแล้วก็จะได้จัดพิมพ์ออกคือเรื่องอะไรที่ดีได้จัดงานพิมพ์ขึ้นให้ทันทีทันใดก็เวลานี้พระที่ไว้คล่องตัวทุกอย่างงานทุกอย่างเวลานี้พระรับภาระไปหมด เหลือไว้ในงานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่ไว้วางใจในท่านก็เป็นเรื่องที่อาตมาจะต้องทำเป็นอันว่างานร้อยเปอร์เซยังเหลือให้อาตมาทำไวประมาณไสามเปอร์เซ็นท่านั้นเจียนว่าพระที่ขบโบในวัดนี้หนึ่งระเบียบก่อนที่จะมาบวชเป็นครวาดมาก่อนจะต้องได้มโนมยิธิเสีก่อน เอาเจ้าพวกจังไร <c oughs> เจนว่าโอวอตริมนุษยธรรมก็เชิญสิเพราะเขาฝึกกันได้ไม่ได้หูหนวกตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยคัดค้านคำสอนพระพุทธเจ้าลืมได้ยังดูตำราวไว้บ้างหรือเปล่าว่าสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละปิญโยปิสันพิทัตโต ลืมหูลืมตากันดูซะบ้างว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนานมีอะไรบ้างติต่อไปก็ได้ออกข่าวส้ายเป็นประจำเดือนว่าใครเข้าทำดีที่ไหนแล้วก็ทำอะไรบ้างในฐานะที่เป็นศูนย์ส ง, งเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาลและก็สร้างกำลังใจแก่มนรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน และท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มาทําดีกันอยู่เสมอจะได้ออกข่าวสารไม่ประจําเดือนและหรือว่าเจ้าพวกอรชีไม่มีความอายหน้าด้านบวชเข้ามาเพราะหวังลาบหวังยศหวังเสนหวหวังสุขในโลกธรรมมันลุกรานอะไรบ้างจะได้แจ้งให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบจะออกชื่อออกใชย้ยาออกนามสกุลออกสถานที่อยู่ออกตกูลของมันเสร็จ จะได้รู้กันตามความจริงนิ่งๆไม่ไหวแล้วชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จะทรงตัวอยู่ไม่ได้เวลานี้มีศัตรูรอบข้างยิ่งมากทำไมมีศัตรูมากยิ่งนิ่งก็มีศัตรูในเมื่อมันมีศัตรูแล้วก็ต้องพูดให้มาศัตรูมันมากขึ้นจะได้รู้ว่าใครเป็นศัตรูของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปรงชนชาวไทย เอามาคุยกันต่อไปตามเรื่องของหนังสือเมื่อฉันมีศรัทธาอยากจะบวชที่จะบวชก็ไม่ใช่เรื่อมไม่ใช่เรื่อมใสในไครนะที่บวชนี่นะจําไม่ดีนะว่าเวลาที่จะบวชไม่ใช่เรื่อมใสทรงเดชก็อยากจะได้การที่ดีต่อวิชาความรู้ที่ต้องการเท่านั้นสิ่งที่ต้องการในการก่อนบวชคือหนึ่ง อยากจะไปเที่ยวเขตนระกได้ด้วยตนเองโดยไม่ได้ไปนั่งจ่อคอยท่นลงรายการที่สองอยากจะเที่ยวสวรรค์ว่าเขามีนางฟ้ามากแล้วก็สวยๆใช่ด้วยอีกตอนนั้นมันยังเจ้าชู้อยู่นะเรื่องเจ้าชู้มากไม่มีประโยชน์ก่อนจริงก็ไม่ได้ไปเจ้าชู้กับเขานะแต่ส่วนใหญ่จริงๆเขามาเจ้าชู้กับเราเนี่ย มีท่านผู้ยายท่านหนึ่งท่านถามว่าเขาจับผู้หญิงกันแล้วผู้หญิงร้องเสียสตังค์แต่ว่ากาถาที่จับผู้หญิงไม่ร้องนะ่ะมีใช่ไหมก็เลยกลับเรียนที่บอกว่ามีแต่ไม่ได้เรียนหรอกเพราะจับใครทีไรไม่มีใครรรองทีจับทีไรก็ไม่มีใครดิ้นเป็นนั้นว่าเขาก็มีเมตตาจิต เมื่อเขาไม่มีเมตตาจิตในเราเราก็ต้องสนองความเมตตาด้วยความดีสนองเขาต่างคนต่างรักกันมันก็หมดเรื่องสามยายจะไปชมพรมโลกเห็นคุณยายท่านบอกว่าหลวงพ่อปานว่าเป็นดินแดนที่มีความสวยสดงดงามกว่าเมืองเทวดาเนะี่ยเทวดาดีสวยมีนางฟ้าก็สวยไม่แก่ไม่เฒ่าแถมเมืองโครมยังดีกว่า ไอ้ตัวตัณหามันก็เกิดมันเกิดอยากจะไปเที่ยวเมืองเทว ด, ดาเมืองฟองเข้ามาอีกเมื่อเข้าไปหาโน่วปานไปถามท่านวลงพ่อครับไอ้ความรู้อย่างนี้เนี่ยที่หลวงพ่อมีบ้างไหมนีวโน่วปานท่าก็บอกว่าเออความรู้แบบที่แกต้องการอะไรแหมมันเป็นชั้นเตรียมปฐมนะแกนะแล้วกัน แล้วกันเสร็จเรานึกว่ามันเด่นใช้เต็มทีท่าบอกมันเป็นชั้นเตรียมปฐมเนะี่ยเจ้าลิงเลยไอ้ลูกกูหลานกูอยากได้เท่านี้เลยถามท่านผมอยากได้เท่านี้เพราะว่ามากนะครับท่านบอกหูไม่เป็นเรื่องแนละ้วลูกไอ้แค่นี้เป็นชั้นปฐมนะของฉันนะ่ะมีมากกว่าที่แก ต, ต้องการจะอีกเยอะฉันสอนให้แกได้ แต่ว่าถ้าแกจะเรียนกับฉันน่ะต้องจําให้ดีนะไอ้ลูกลูกกูหลางกูถ้าว่างั้นเออไอ้ลูกกูหลานกูเ อ, อ้ยถ้าว่าอย่างงั้นไอ้ข้าก็บวดมันนานแปรใจนคามาเยอะเพิ่งเห็นเองนี่ทอนนั้นมันมีความต้องการอย่างข้าเอาไปเจอกันข้าวอีกแล้วไปเจอกันข้าอีกแล้ ว, ลวดิท่านก็ต้องการแบบนั้นมาก่อนอ๋อมีหน้าหรอ กะต่างๆไปขอเรียนกับท่านท่านบอกโงยข้าสอนแกไม่ได้เราขมีมีเยอะแต่ประเทศนีม้มีเยอะมีหลายสิบอาจารย์บ่าไอ้ที่แกถามเนี่ยฉันมีแต่ฉันไม่สอนแกหรอกไอ้แกกับฉันมันไม่ใชคู่ปรับกันนะท่านรู้เสนด้วยย้อนใหม่ท่านบอกว่าถ้าคนที่จะเรียนกับฉันนะเนี่ยจต้องเรียนแบบงโง่ๆนะแล้วกันอ๊อฟโงก่กวโง่ ถ้างโง่ไปได้โง่รู้ได้ยอมโง่คือไม่ทำอะไรให้เกินที่อาจารย์สั่งเห็นไหมไม่ใช่อาจารย์สั่งโอ้เห็นผีเห็นทวดาเป็นอุปาทานเห็นผีเห็นเทวดาเป็นโอภาษนี่มันหวยอาจารย์แบบนี้มันหวยเลวจริงๆ ไม่ได้ดูหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสี่อย่างสุขวิปสัสสโกติวิโชชระพิญโยปฏิสัมพิทาปตโตลืมหูลืมตายกันดูสับ้างจะมาหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินมาไม่เกิดประโยชน์พระดีอย่าเดืดร้อนแต่พระชั่วก็เชิญเดือดร้อนไปเดือดร้อนก็เดือดร้อนอยู่ที่ใบห้องตัวยาเสียเข้ามาเดืร้อนอยู่วันนี้ยุ่ง คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำอะไรให้เกิดอาจารย์สั่งจำให้ดีนะว่านักปฏิบัติทั้งหลายเวลานี้ปฏิบัติกันมากทรงชิ้นห้าได้ดีสามารถธรรมโนยิธิได้ดีมากจงจำไว้ว่าคำสั่งของอาจารย์เวลาที่เราปฏิบัติกับท่านอาจารย์นี่มันจะมาถึงอาจจะมา เขาสั่งว่ายังไงเขาสอนว่ายังไงทำเบื้องต้นทำได้ไปเป็นแบบไหนไปได้สว่างสวัยดีทำตามนั้นไม่นด้ทำไปถึงบ้านแล้วก็เลิกทำไอ้ตัวระยาระยำแบบนี้มันรกทีเพื่อนเอ้าฟังท่านแล้วฉันก็ชอบใจตาโนสีนะชอบใจมากว่าท่านบอกให้โง่แต่งง้ไดน้นี่เอาตกลงนอนดับแรกฉันก็บอกว่าท่านว่าฉัน กลัวผีอีตอนนี้ที่ต้องบอกกันก่อนนะมันเป็นความลับเรื่องคนนี่ไม่เคยกลัวแต่กลัวผีเพาผีมันมาไม่รู้ทางมาคนนี่ทําเป็นผีที่เยอะไอ้ที่กลัวผีก็กลัวไอ้ผีที่เราไปทําคนให้เป็นผีมันจะย่องมาเล่น ง, งานเขาแต่ว่าฉันก็สงสัยเรื่องผีว่ามันมีจริงหรือไม่จริงเพียงใด ไอ้ตอนนั้นยังไม่เคยถูกสูบผนหลอกเคยเจแต่จะด้วนเจ้าด้วนมันก็เป็นผีที่น่ารักก็เลยไม่คิดว่าจะด้วนเป็นผีคิดว่าจะด้วนเป็นเพื่อนเป็นว่าเรื่องของสัตว์นรกก็ดีเรื่องของสัตว์นรกนี่ท่านลุงท่านลุงก็ดีท่านลุงพ่อองค์ยินก็ดีแต่ฉันไม่คิดว่าเป็นผีเนี่ยท่านลุงท่านเป็นพรหมท่านบอกว่าอย่างนั้น เป็นผีที่ไหนอ่ะหลวงพ่อองค์ยิ้มนั้นฉันคิดว่าท่านเป็นพระพุทธเจา้าตามความรู้สึกนะท่านสามารถให้บิสุทธิ์ด้วยการภาวนาด้วยคาถาเพียงสองสามคำการบิสุทธิ์คราวนั้นมีคนร่วมพิสูจน์ด้วยไม่น้อยกว่ายี่สิบถสองร้อคนนะนี่เป็นอำนาจหลวงพ่อปานนะท่านใช้วิชาอันหนึ่ง ้วันนี้เป็นบัดมากน่ากูว่าจะบาปปากเสียนะบาปปากเสียจะหมูกกับปากมันอยู่กใกล้ๆกันไอ้บาปจากปากมันเลยเลยขึ้นจมูกมีน้ำมูกมากสร้างมันถ้าจะบาปเพื่อสังหารอราชีเราก็พร้อมจะบาปแต่บาปประเภทนี้ไม่คุ้มค่าเขานี่ เราจะต้องต่อสู้ในความเป็นจริงของพระพุทธศาสนานั้นขออารัตนาบรรดาพิสูจนสมทั้งหลายที่บวชเข้ามาแล้วเป็นพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาที่สา ม, มารถพิสูจน์พรพุทธศาสนาได้ตามที่ทราบเวลานี้มีอยู่สามแสนคนเศษ ช่วยกันลุกขึ้นมากอบกู้พระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้เขาก็ทืบพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนิหมภากาสาวพัฒน์ไมว่าท่านี่ตั้งตัวไปอาจารย์สอนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมาเกาะกินบุญบารมีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่ปล่อยให้คนอารัจชีมีความชั่วทำตัวทำลายพระพุทธศาสนาท่านจะกลายเป็นคนอากาตันอยู่ไม่รู้คุณของพระพุทธเจา้าและว่าท่านหลายเหล่านั้นที่อยู่กงท่านก็คือโลกันตนรกหรืออเวจีมหานรกลุกก็ไม่ช่วยกันช่วยกันจันรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปูชนชาวไทย ให้มาตั้งกันอยู่ในความสามัคคีจะให้แตกแยกกันในความสามัคคีเรื่องของพระศาสนาประเทศไทยเราจะกลายเป็นอินเดียสมัยก่อนเอามาคุยกันต่อไปหลวงพ่อปานท่านบอกท่านสามารถให้ไปสูจน์ด้วยการภาวนาคาถาเพียงสี่คำลืมซะแล้วสิคาถาสี่คำท่านบอกตอนนั้นแล้วท่า น, ก, น, ก, นาก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ทำมาอีกทําอย่างอื่นได้ก็เลยลืมไป การพิสูจน์คราวนั้นมีคนร่วมพิสูจน์ด้วยประมาณสองร้อยคนเศษแต่ว่าแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงศักดิ์ทางราชการเขาถือว่าเป็นปัญญาชนอืมไอ้ปัญญาเนี่ถ้าปัญญาไปชนบ่อยๆปัญญามันก็อยู่ปัญญามันก็ขี้เถอนนะถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาเออดีกว่านะอย่าปัญญาเข้าไปชนเลย ถ้าปัญญาเข้าไปชนปัญญามันแหลมชนมบ่อยๆความแหลมมันก็หมดไปถ้าปัญญามันมีคมเอาคมเข้าไปชนก็ของแข็งบ่อยๆไอ้คมมันก็ร่อยไปไม่ถูกเอาถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาเป็นข้าราชการโพสุงสูงสักนะเมื่อต่างคนต่างภาวนาไม่เกินห้านาทีทุกคนก็ยอมรับว่าเห็นผีทุกคนเอาละสิ สำหรับคนอื่นนะเขาเห็นกันอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวฉันจะแอบไปรู้เรื่องคนอื่นก็เข้ามันก็ไม่ได้มันก็เกินคนดีตอนนั้นไม่ไม่ใช่ได้เจตัวรยายาิาญาณแต่ความจริงถ้าจะใช้ก็เห็นจะใช้ได้มันงโง่พอไปเที่ยวนรกได้อย่างนี้มันก็ไม่อยากไม่ต้องใช้เจตวยายาัววิญญาณ ถามหลวงพ่อยิ้มหรือว่าท่านหลวงก็ควจะรู้แต่ไม่ได้ถามไม่โง่ไปไอสำหรับฉันเองก็เลยเห็นผีเห็นเหมือนกันนะสีเขาก็เห็นเห็นมันแต่ว่าผีนี่มันเป็นคนที่รู้จักซะส่นใหญ่ที่เขาตายไปแล้วมันนั่งอยู่ข้างๆตัวฉัน ที่ไม่รู้จักก็มีที่รู้จักก็มีบางคนก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนคนธรรมดาไม่เห็นเป็นผีนี่ผีก็บอกตาโบแหกอกแกลบลิ้นไอ้นี่มันไม่ใช่เนี่ยมันมานั่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผีบางคนก็สวยมากไอ้ผีคนสวยนี่ถ้าเป็นผู้ชายคนน่ารักน่าชื่นชม แต่พอเป็นผีผู้หญิงสวยๆนี่มันอยากจะนั่งใกล้ๆตอนนั้นน่าดูน่าดูยังเจ้าชู้กับคนไม่พอยิงเจ้าชู้กับผีต่ออีกแต่ว่าผีสวยๆสาวๆน น, นี่แกมาแกาก็ยิ้มแต่มันยิ้มแปลกๆยิ้มน่ากลัวคือเป็นรอยยิ้มแบบเมตตาปราณี ไม่ที่ยิ้มแบบหวังดีมาเป็นพัญญาก็เลยไม่กล้าเข้าไปแตะต้องกลัวจะถูกบาทากระทบหน้าแงเขาไม่เอาเลยก็นั่งดูแบบสมบายๆท่านก็ยิ้มสดชื่นแม้าบางคนที่รู้กลายเป็นแม่ไปนะมารูทีหลังที่ยิ้มมาจริงๆเขามานั่งใกล้ๆแม้แต่งตัวสวยาราม ร่างกายแผ่วพราววิเพชรนิ่งจินดาผ้าทั้งหมดที่นุ่งที่ใสเข้ามาไม่ใช่ผ้าธรรมดาเลยผ้าไม่เคยเห็นพื้นเป็นสีทองแต่แก้วเต็มไปหมดทั้งผืนผ้าโอ้โหถ้ามานั่งใกล้แล้วก็ยิ้มสวยเอามือลูบหัวลูบหางแม้ตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงไอ้ความรู้สึกเจ้าชู้ไม่มี ก, กับเกรงบรารมีของท่าน ท่านเมตตาปราณียังนึกในใจแม้ว่าถ้าคนนี้เป็นแม่ของเรานะเราก็เลิกมีเมียละทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแม่สวยกว่าเมียเนี่ยไอ้ที่ก็เป็นเท่าสาวที่ไปเจอมามันไม่สวยเท่านี้ถ้าเรามีแม่อย่างนี้ก็ไม่ใช่จะแม่มาทำเมียนั่งชมความงามของแม่ดีกว่าไปยุ่งกับคนอื่น โดยเคารพท่านด้วยท่านสวยด้วยท่านดีด้วยท่านชืน่นน่าชื่นใจไห <c oughs> วกันไปเป็นน้ว่าฉันไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนตอนนั้นตาเมาสีนะฟางรายก็สวยถ้าเจนอยากเขียนอยู่บ่อยๆไงแม่เมื่อทุกคนยอมรับว่าเห็นท่านก็นเลยเทศเรื่องสวรรค์เพราะว่าฟางท่านกำ บ, บรรยายเรื่องสวรรค์เปอุปาทานน้ำเปล่าและไอเสือ ไอเสือที่เทศที่พูดเนะี่ยว่าเรื่องสวรรค์ตรง ป, ปาทานเะนี่ยเรื่องนี้เป็นปาทานหรือเปล่าทําไว้ซะมั่งนะจําไว้ซะบ้างว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสุขวิปัสสโกตีวิโชชละพิญโยปฏิสัมมิทัปโตอยากจะสอนชาวบ้านเขาเรียศึกษาให้มันครบ อย่าไปนั่งเป็นมิจฉาทิฏฐิและทำชาวบ้านดีเขาก็รบับถือคิดว่าตัวดีเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยจะชวนคนอนรกเป็นนันทั้งเลยเทศเรื่องสวรรค์แม้ว่าสเสพละพระพริง้งเวลานั้นจิตใจของเรามันก็สดชื่นอยู่แล้วมีธรรมปีติและทุกคนก็มีสภาพเป็นแบบนั้นพอท่านพูดึงเรื่องสวรรค์ชันไหนภาพมันก็ปรากฏ หมาตอนนี้ใจเช็กลิ้งลดแล้วต่อมาท่งนระเทศเรื่องนรกนี่ใจโบเลยใจโบตอนไหนท่านบอกว่าไอ้คนเจ้าชูนนะ้นี่นะะต้องมาอยู่ที่สภาพคนต้นงิ้วท่านพูดแล้วท่านกย็ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มแล้วก็ชายตามาทางฉันแล้วก็ไอ้เพื่อนแล้วก็ทางน้าแล้วก็ไปอีกหลายคน แปลว่าทุกคนตอนนั้นพอเลิกแล้วมาคุยกันบอกแหมตอนพูดรตรงนี้ตัใจมันเต้นตึกตึกตึกตึกตึกตึกคิดว่ากูคงจะมีสมบัติมีสวนมากคือตัวนิ้วต่อมาท่านก็พูดทั้งพรหมโอ้โหต้องพูดทังพรหมดิชื่นใจแจ่มใสาภาพของพรหมสัพรัางแล้วต่อมาท่านก็พูดถึงนิพพานตอนนิพพานนี้ไม่บรรยาย เป็นความสดชื่นหนึ่งนิพพานบอกไม่ถูกแต่ว่านิพพานมีสภาวะหรืออะไรนั่นน่ยมันเรื่องของคนที่จะพึงรู้กันถ้าหูหนวกตาบอดใจด้านหน้าด้านและไม่สนใจคําสอนพระพุทธเจ้าคายค้านพระพุทธเจ้าหรือนิพพานจะไปรู้ได้ยังไงนิพพานนี่ถ้าจะรู้กันจริงๆไม่สงสัยแกต้องหนึ่งอย่างน้อยศึกษาในด้านของวิชาสาม หรืออวิญญาหกหรือใด้านของปฏิสมิธายานแล้วก็จิตเข้าสู่โคตรภูญยานจะเข้าถึงความเป็นประสนดาบันตอนนี้สภาวะนิพพานจะเป็นยังไงเลิกสงสัยเห็นชัดไม่ต้องมานั่งเดาๆคาดค้านพระไตรบิฎกพระไตรบิฎกบอกว่านิพพานมีสภาพไม่สนแต่ไอ้ใครมันเป็นคนเขียนตำราให้เขาอ่านแก้ว่านิพพานสน เอาพิยาพิสูจน์ได้ตรรราเก่งจริงๆพิสูจน์ก็ในการปฏิบัติในด้านเาวิชาสาวาพิญญาหกใครเก่งจริงก็เชิญพิสูจน์ถ้าไม่สามารถจะทําได้ผู้ตามธรรราจะทำหนังสือด่าต่อไปหรือว่าจะออกเสียงด่าต่อไปไอ้ที่ด่านี่ไม่ได้มีเจตนากรธจะให้รู้สํานึกว่ายังโง่เง่าเต่า ต, อตนอยู่ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามใช้ความรู้ที่เลวซามของตนเข้าไปใช้บอกว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปเราก็จะรู้จักกันจะไปอันดับไหนไม่แปลกพระพระมันมีอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตําแหน่งไม่เปลียนไม่แปลกตําแหน่งมีเพื่อทํางานแต่ไม่ทํางาน วินัยมีคนผิดวินัยไม่ชำระตามนั้นไม่ลงโทษพระราชบัญญัติปกครองอนาะสงมีไม่ลงโทษกฎมหาเทระสมาคมีฆ่าทมผิดไม่ลงโทษและก็พวกท่านนะ่ะมันจะมีศักิ์ศรีอะไรนอกจากความเลวสามีฐานะเป็นสัตว์นรกเท่านั้นแปลว่าท่านทำไม่เห็นได้หมดคราวนี้ฉันกับเพื่อนนะ ฉันกับเพื่อนฉันก็เป็นยอดนักเบงด้วยกันก็เกิดอยากจะเห็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีมื่อยากเห็นไม่ใช่อยากเห็นอยากไปเมื่ออยากเห็นนั้นก็ไม่ใช่อยากจะเล่าไม่ใช่ไม่ใช่อยากอะไรเขาเล่ากันต่อๆกันมาแล้วเมื่ออยากเห็นสวรรค์มันไม่พร้อมเห็นเงาๆเข้ามาแล้ว เห็นก็ไม่เงาอนุภาพวนั่นหน้าคิดเขียนชัดแต่อยากจะไปสวรรค์นั้นหนังสือบอกจะเห็นในวรรนตอนนั้นมันป่วยและพระก็ชอบเทศว่าบนสวรรค์มีนางฟ้ามากกว่าเทวดาเทวดาวหนึ่งมีนางฟ้านับเป็นพันๆห น, น้าสงสารนางฟ้าในแกนจเจงเหงาเจ้ากาดไปเป็นเพื่อนคุยกับแกอย่าไปสวรรค์ไม่จะเห็นนางแนวเสือเขียนตอนนั้นกํนาลังป่วยมาก อยากจะไปเป็นเพื่อนนางฟ้าแต่นั่งคิดอยู่แต่ว่าเพื่อนมนุษย์ที่เป็นสาวตัวต่อ ต, ตัวนี่เราก็แย่แต่ว่าบาังเอิญไปเป็นเทวดามีนางฟ้าตั้งแผนนีน่ากลัวมันจะตายก่อนสิงเขาตายก่อนเนะ่เพราะฉะนั้นว่าตามหนังสือไอ้คนเราลงมีใจเลวสักอย่างมันก็เลวหมดทั้งตัวนี่ว่าตัวเองนะี่ย เขาเขียนกรรมฐานกันเพื่อพระนิพพานแปลว่าเขาเรียนกรรมฐานงันเพื่อพระนิพพานแต่ฉันก็อยากจะเรียนกรรมฐานเพื่อไปเป็นผัวของนางฟ้าเนี่ยโอ้โหเจ๋วเจ๋วเจ๋ ว, จวเร็วดีมากอารมณ์อย่างนี้ก็ถ้ายังไม่ว่าเร็วนะก็คงจะหาคนประเภทใดที่เร็วกว่านี้มันไม่มีอีกแล้ว จะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะบางทีจะมีมีจะมีก็ได้นะว่าไม่ได้เวลานี้เงามันออกมาแล้วไม่เพมีแต่เงาแต่เสียงออกมาด้วยแต่ยังไม่พบตัวกันชัดชัดแต่พบตัวกันชัดชัดเมื่อไราก็เมื่อ น, นั้นแหละอีตอนนี้ว่ากันแน่นะบอกกับกาแกา้ได้ทราบเลยนะว่าเป็นเสียงก็เป็นเสียงเป็นหนังสือก็เป็นหนังสือถ้าพบตัวกันเมื่อไราก็เมื่อ น, นั้นแหละ จะได้รู้กันว่าไอ้ ก, การที่จะไว้หน้าไอ้คนทรยศต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กรุงชนชาวไทยเนะี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแน่ๆนักเกลงซะด้วยถามว่าจะไปท่าตีท่าต่อยหรอโดยเวลานี้เดินยังไม่ไหวแต่ว่าจะชี้หน้าถ่ายรูปเอาไว้ว่าไอ้จังไรคนนี้เป็นคนทำลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กรุงชนชาวไทย สร้างให้คนแตกกันด้วยความเข้าใจผิดเรื่องของศาสนาเอ้าว่ากันตามเสือต่อไปเมื่อท่านเทศจบท่านก็ถามว่าใครอยากเห็นสวรรค์ต้งมาโลกนิพพานบ้างฉันกับเพื่อนเกลออีสามยกมือเพิบ ก, ก่อนเพื่อนท่านเห็นเข้าท่านก็บอกว่า ล้วกวักมือเข้าไปหาแต่ความจริงทว่าอยากเห็นคืออยากไปพบขึ้นไปไม่ได้เห็นเห็นสือพลาดไปตอะนั้นป่วยท่านก็อยากท้าท่านก็ถามว่าอยากไปจริงๆเลยเรียนนะว่าอยากเรียนครับนะแล้วก็อยากไปท่านบอกว่าสำหรับคณะของเธอสี่คนนี้เรียนได้แล้วก็ได้ผลมากเกินความคาดลาดหมายจะเรียนไหม เมื่อท่านว่าคณะของเราพร้อมที่จะเรียนใหไปได้กับพร้อมกันเลยไปยกมือกราบขอเรียนขอรับเัอบอกว่าฉันขอรับเธอเป็นสิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขารสีมาล ะ, ะนะนี่เขาจะบวชกันแบบนี้แต่ได้ว่าถ้าเธอจะเรียนกับฉันนะเพื่อเอาดีต้องเรียนกันอย่างคนโง่ะนะอย่าเสื่อมฉลาด หรือว่าถ้าฉันสอนแบบไหนต้องทำอย่างนั้นโดยเฉพาะนะรักษากำลังใจให้มันอยู่ตามจุดนั้นยาทายไปเธอจะต้องทำและก็ต้องคิดเท่าที่ฉันบอกเท่านั้นเออดีเหมือนกันการเรียนเอาดีต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาเราสิมาตอนนี้เพิ่งรู้พระพุทธเจ้าท่านจะ ม, นามารู้วิเศษสัมมาทฏิยานท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ไปนักธระเรายอมตายดีกว่าถ้าม่ไดผลแน่เห็นไหมนักปฏิบัติทุกคนฟังแล้วก็จำไว้นะว่าถ้าเราจะเรียนเอาดีเราจะยอมตายดีกว่าไม่ไดผลหรือว่ายอมตายดีกว่าฝ่ฟาฝืนคำสั่งครูบาอาจารย์แต่มันไม่อยากเพราะในตอนนั้นมีความรู้สึกว่าคำว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิต นี่เวลาคิดมาตั้งแน่เด็กรุมร่ามรุมร่ามทำให้ระบบต่างๆที่เกี่ยววิทยาศาสตร์แตไม่ได้เรียนทำสำเร็จไปไหลายอย่างจนขั้นขโมยกระแสไฟฟ้าเราใช้ได้เห็นแสงไฟฟ้าอยู่ที่ไหนไกลพอตาเห็นได้เราขโมยแสงและใช้ได้ทันทีแต่ววิชานี้ไม่สอนต่อให้ใครเพราะเป็นพระมันบาปอรบรรดาท่านพุะธรริษัท วันนี้ว่าไปว่ามาก็บอกแล้วบอกว่าวันทึกเสียงนี่มันจะโตถาว่ามันไม่ป่วยมากน่าสือเล่มนี้ก็คงจะเป็นเลกสามเล่มเป็นนั้นว่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอลาก่รขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี